วิสสร์ลิอัมรีวะ حلو العقدة من لساني يفأه قولي اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما يوفعنا وجدنا علما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة و ي لنا من أمرنا رشدا الحمد لله อินชาอัลลอฮ์วันนี้จะให้จบสุรทูยาซีนทั้งหมดสิบห้าตอนนะครับเราเหลืออีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอายัดอินชาอัลลอฮ์นะครับรวบรัดสรุปในคืนนี้ในตอนท้ายของสุรทูยาซีนที่เราเรียนมาเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับมีไว้แล้วว่าจะคุยกันเรื่องอะไรน่าจะเป็นเรื่องที่ต่อยอดจากสุรทยาซีน แต่เป็นเรื่องที่ เ, เกี่ยวข้องกับตอนท้ายของสุรษที่เรากำลังจะเรียนนี้อยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอินชาอัลลอ์วันนี้เรามาดูก่อนนะครับตั้งแต่อายะห์ที่77จนจบสุรษเลยจากสุรษทุยซินทั้งหมดมี83อายะห์นะครับอัลฮัมดุลิลละหวังว่าวันนี้คงจะได้จบ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو لم يرى الإنسان أن خلقناه الإ ان من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ي ي ي م ن يحيي العظام وهي رميم อุลยุฮَย์ที่อัญเ و َ م วัลมะّอวะฮ ق วะบุคุลขัลَ ل ญِัลลิมที่จัลลัลคุมมะน์อัَชาจาริลอะฟซ์ร์นาราะ فإذاأت ุมม ه ُ و หุทูคดุล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 ฟ้าสูบะฮ ن َ yeah. ั้นผู้ที่อยู่ในมือของเขาคือผู้ที่ม้อำนาจทุกอย่างัละพวกเขาก็จะกลับไปที่นัไป นะครับถ้าเราสังเกต ด, ดูเนื้อหาในสุรษยาศีนเนื้อหาในสุรษยาศีนล้วนแล้วแต่เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหลักความเชื่อที่มุสลิมที่ผู้ศรัทธาจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจนะครับสามหมวดหลักๆที่เราเห็นชัดเจนนะครับในสุรษยาศีนก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับอัตตูฮีด เรื่องราวเกี่ยวกับการที่เราจะต้องเชื่อมั่นในความเป็นเอกหนึ่งเดียวของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เรื่องราวเกี่ยวกับอัลลอฮ์่ว้าจะเป็นตฮวดิรุบบิยะตัวพิรที่พูดถึงว่าอัลลอ์พระองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้สร้างเราที่เป็นผู้ให้ริสกีกับเราที่เป็นผู้ให้ ทุกอย่างกำหนดทุกอย่างให้กับเรานะรรบูบียะก็คือสิ่งที่อัลละฮฺตาลาทำกับเรานะครับเราฮิริอรบุบียะคนอื่นทำให้เราได้ไหมคนอื่นสร้างมนุษย์ได้ไหมคนอื่นสร้างดวงอาทิตย์ได้ไหมไม่มีผู้สร้างจักรวาลนี้มีเพียงอัลลอฮฺองเดียวนี่คือทวีอรบุบียะนะครับในสุรษยาสินก็พูดถึงเรื่องราวของดวงดาวเรื่องราวของมรคลูกต่าง ละไม่ว่าจะเป็นเต้าฮิดที่เรียกว่าเต้าฮิดอูลูฮียะเตาฮิดอุลุฮียะก็คือการที่เราจะต้องทำเพื่อล l l a h เพียงพระองค์เดียวอันนี้คือเตาฮิดอูลุฮียะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเตาฮิดรูบูบีก็คือ Allah ผู้เดียวเท่านั้นที่ให้กับเราที่สร้างเราที่ทําให้เร า, เรามีชีวิตที่ทําให้เราตายเราต้องมีความเชื่อในเตาฮิดประเภทนี้ส่วนเตาฮิดอุลุฮียะ เวลาที่เราจะให้เราจะเคารพพักดีเราจะขอดุอาเราจะละหมาดเราจะทำนู่นทำนี่ทำอิบะดะทำให้คนอื่นได้ไหมไม่ได้ต้องทำให้อัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเราจึงเรียกมันว่าตัวีดุลอลฮิยสิ่งที่เราต้องทำให้กับอัลลอ์และแม้ว่าจะเป็นตัวีดที่เรียกว่าตัวีดุลอัสมาและซิฟ ตัวพ ah ah ิที aya, ah ah song, k k ่เก uh, ี่ยวข้องกับพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับในสุรษยาสีนราุกจะเห็นพระนามของอัลลอฮฺ تعالى มากมายอัลฮักีมอัลอาลีมแล้ววันนี้ก็จะมีพระนามที่เราจะได้อย่างนี่คือประเด็นแรกจากสุรษยาสีประเด็นที่สองซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อของมุสลิมเช่นเดียวกันเป็นประเด็นที่เราเรียกว่าอันนุบูฮฺหรือ Kan pen Nabi, kan pen seseurat, kan pen Rasul, Hong Muhammad Sallallahu nah Alaihi Wasallam. Laut ala yuk reraw, contoh yang Hong Rasul Najid, hekab benda musyrikin Najuk Hong Thn Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, chaiben utahon, kerana, kon Najuk Hong Thn Nabi neng, micih, wa Muhammad neng pen Rasul Cha Allah. Laut ala katang, atibai. ยกหลักฐาน ต, ต่างๆเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮอสัลัมนั้นเป็นรอซูลเป็นนบีของพระองค์จริงๆอันนี้คือประเด็นที่สองประเด็นที่สามที่เราเห็นจากสรลลันี้ก็คือประเด็นที่เราเรียกว่าอัลมาดหรืออัลบาสประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นคืนชีพในวันกกียรติซึ่งแน่นอนว่าเป็นหนึ่งในจานวน หลักสําคัญที่เราจะต้องศรัทธาเป็นหนึ่งในจํานวนรุกลอีมานเราจะเห็นว่าเรื่องราวในสุรหยาซีนจะนําเสนอเรื่องเหล่านี้ตั้งแต่ต้นสุรษมาเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกฆ่าตายแต่ก็ยังมีความปรารถนาดีกับคนที่ฆ่าตัวเองอยากจะให้คนที่ฆ่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาเพราะว่าตอนนี้ตัวเองตายไปแล้วรักตอลาให้อยู่ในสวรรค์ให้อยู่ในความสุขความสรรําราญ س ุบ ا ن อัลลอฮ์ และแน่นอนที่สุดนะครับในตอนท้ายของซูรุฮยาซีละตัลละก็ยังตอกย้ําประเด็นเรื่องอัลมาดหรืออัลบาสตอกย้ําประเด็นเรื่องการสัตธาตัววันอัคยุราะเพราะว่าเป็นหลักการที่สําคัญมากและเป็นเรื่องที่บรรดามุชริกีนในสมัยของท่านนบีสุลตัลลอฮอัลลอฮิซันลำปฏิเสธอย่างหัวดื้อหัวรันมาดูสิว่าละตัลละจะตอกย้าอย่างไร أَيَتِكَ سِبْتَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُفِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِينٌ นี่คือสิ่งที่เป็นสภาพความเป็นจริงของพวกมุชลินที่ไม่ยอมสัทาต่อวันอคราละลล ยกเหตุผลเพื่อที่จะพิสูจน์ให้คนเหล่านี้เห็นว่าความคิดแบบนี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะครับในตัปสิทธิ์ขออัสซาดีท่านอธิบายว่าได้สวยงามมากเลยนะครับ เราจะอะไรยกข้ออ้างของบรรดาคนที่ปฏิเสธวันเกียรติ์หลังจากนั้นพระองค์ก็ตอบยกมาก่อนยกข้ออ้างของคนเหล่านี้ให้เห็นก่อนว่าคนเหล่านี้อ้างยังไงแล้วพระองค์ก็เขาเรียกว่าอะไรนะคลายปมความเข้าใจผิดเหล่านั้นทีละข้อทีละข้อทีละข้อนอวัลวลัมยารออินชาอนมนุษย์ไม่ได้ดูรักหรือ อัน خلقناهم ินน طفة ว่าเราได้สร้างเขาเนี่ยมาจากน้ําอสุจินุ طف ะก็คือน้ําอสุจิเรากว่าจะโตมาอย่างนี้เราโตมาจากอะไรโตมาจากก้อนหินโตมาจากต้นไม้โตมาจากอะไรเราทุกคนเนี่ยโตมาจากอะไรก่อนหน้านี้เราเป็นอะไรมา س ب <ت ص في ق> ح ا ลล ل ل ه นี่ ถ้าอัลกุรอานไม่ถามาเราจะคิดถึงเรื่องนี้ม่ให้เอาจริงเอาพวกเราก่อนเยาว่าแต่มุชริมีนเลยนะครับแม้กระทั่งมุหมินีนแม้กระทั่งมุสลิมินถ้า Allah ไม่ถามอย่างนี้เนี่ยมีใครมัางวันๆจะคิดถึงเรื่องนี้ไม่มีใครคิดถึงเพราะเราโตแล้วเราขยับได้แล้วเรามีมือมีเท้ามีทุกอย่างไม่เคยคิดถึงที่มาที่ไปของเราแม้แต่คนเดียว นี่คือความความตะกับบรของมนุษย์ س ุ ح ا ن อัลลอฮ์ถ้าเราคิดได้ว่าเอ้ยตัวเองเนะี่ยจริงๆมาจากอะไรยังจะมีความคิดหัวแข็งหัวดือ้อหัวรันกับอลลัลลอฮ์ต่อะไาอีกไหมต้องคิดอวัลามยอร์เอินซานมนุษย์ไม่ดูหรอกหรือว่าพระองค์สร้างเรามาจากนุทฟะแล้วนาแค่นุทฟะนะไม่ใช่ไม่ใช่นาเทแบบ เป็นเป็นลิตลิตไม่ใช่นะนุฟ้าก็คือแค่ให้หยดเดียว่ะนัลลอฮฺลอิลลอิลอัลลอฮฺ فإذا هو خاصيم مبين าเถียงกับเราแบบ ب อ ه โห خ ا ص ีนนี่หมายถึงว่าเทียงไม่ตกฟ้าอืมมนุษย์เนี่ยที่ไม่ยอมศรัทธาต่อลอสุบฮานเรต่ละเทียงปวแข็งดื้อ แับ a l ล a h سبحانه และ تعالى แบบเห็นชัดชัดไม่ใช่ดื้อแบบหลบๆซ่อนๆ่ขอข้อซีมุนมูบีมและอิลลัฮ์อิลลัลลอฮไม่นึกถึงว่าตัวเองนี่เกิดมาจากอะไรพอโตขึ้นมาปุ๊บพูดได้คิดได้เริ่มจะเป็นคู่โตเถียงอ่าสุภาษิตไทยว่ายังไงนะ บีกล้าขาแข็งบีกล้าบีกล้าขาแข็งแล้วเริ่มเียงเป็นละเนี่ยนอลลาฮใมินซาลกละอิละอิละัลลอฮ์ فإذا هو خاصم مبين بعد أن كان ا ب ت د ا خلقه من نطفة فلننظر التفاوت بين حالتين الحالتين وليعلم أن الذي أ ن ش من ا ل ع قادر على أن يعيده بعدما ت ف ر ق و ت م ز ق แบบนี้คืออะไถามนี้เองเนมีคําตอบคําถามที่เราตะล่ว่าพวกเจ้าไม่ได้ดูหรอกหรือว่าเจ้าถูกสร้างมาจากอะไรแล้วตอนนี้เป็นอะไรลองดูสภาพของเราตอนที่เราเป็นน้ําอสุจิกับตอนนี้ที่เราเป็นคนเต็มคนแล้วเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนในคําถามเนี่ย มีคำตอบที่แก้ปมความคิดความรู้สึกของมนุษย์ที่ไม่ยอมศรัทธาต่อวันอาคิีรันนี่มีคำตอบอยู่แล้วในคำถามนี้เข้าใจไหมในเมื่ออัลลอฮ์สร้างเรามาจากหยดน้ำได้อะและเพราะองค์จะทำให้เราฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากบางสิ่งบางอย่างที่มันมีอยู่แล้วในตัวเราทำไมจะทำไม่ได้อ่มามนุษย์เนี่ย พยายามที่จะมาโตเถียงกับเราในขณะที่เขาลืมการกำเนิดของตัวเองตอนที่คนไม่ศรัทธาต่อลระตา ล, ละไปเถียงกับพระองค์เนี่ยเขานึกได้หรือเปล่าว่าตัวเองมีมาจากไหนาไม่ได้นึกนะอัลลอฮ์นะเพราะฉะนั้นเป็นคำถามที่ไม่สมควรถาม นะเป็นเป็นข้ออ้างที่ไม่สมควรจะยกขึ้นมาต่อหน้าอัลลอฮ์ซุฮานวตอลเราเป็นใครอัลลอ์เป็นใครแล้วเราจึงกล้าที่จะตั้งคำถามเหล่านี้เรานึกไม่ออกเลยหรือว่าเราเนี่ยถูกสร้างมาจากอะไรใครเป็นผู้สร้างเราลายับอาอัดินอันยริบะฮูวะฮิยวะฮวะัจีบ มนุษย์เวลาที่พวกเขาปฏิเสธว่าอาลัอลลอฮฺจะจะให้พวกเขาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเอามาตรวัดตัวไหนในการที่ประกาศข้อความเหล่านั้นออกไปที่เราคิดว่ามนุษย์ตายไปแล้วไม่สามารถจะฟื้นคืนได้เนี่ยเราเอาความคิดมาจากไหนเราเอาความคิดมาจากของเราเอง เราเอาความคิดมาจากความสามารถของเราเองถามว่าในระหว่างพวกเราเนี่ยมีใครบ้างที่สามารถทำให้สิ่งที่ตายไปแล้วมีชีวิตขึ้นมาอีกได้อีกครั้งหนึ่งได้มีไหมไม่มีไปหาที่ไหนไม่เจอพอเราไปหาที่อื่นไปหาในระหว่างพวกเรามันไม่มีของแบบนี้เนี่ย เราก็เลยเอามาตรฐานเดียวกันที่มันใช้ระหว่างมัคลุกด้วยกันเนี่ยเอาไปใช้กับอัลลอ์ด้วยมันใช้ได้หรือเปล่าล่ะมันใช้ไม่ได้มาตรฐานของเราเราจะเอาใช้เราจะเอาไปใช้กับความสามารถของละตัลลาได้ไหมไม่ได้น้องครับเอาง่ายๆอย่าว่าแต่ระหว่างมาตรฐานของมัคลุกกับมาตรฐานของละตาลาเลย เอามาตรฐานของเรากันเองก่อนอะระหว่างเด็กห้าขวบสี่ขวบกับพวกเราที่อายุสี่สิบห้าสิบความสามารถมันก็คนละแบบ ก, กันแล้วถูกต้องไหมเด็กห้าขวบมันขับรถได้หรือเปล่าขับรถไม่ได้แล้วเราจะเอามาตรฐานของเด็กห้าขวบบอกว่าคนอายุห้าสิบมันขับรถไม่ได้เพราะเด็กห้าขวบมันขับรถไม่ได้ใช้ได้ไหมมันไม่ได้ แล้วนี่นับภาษาอะไรนะเอามาตรฐานของมนุษย์เอามาตรฐานของสิ่งถูกสร้างไปใช้กับผู้สร้างมันใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าเฮ้ยมนุษย์ตายไปแล้วไม่สามารถฟื้นขึ้นมาได้เพราะเราไม่เคยเห็นมาตรฐานนี้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่มันใช้ได้หรือเปล่าลมาตรฐานนี้มันไม่ใช่เพราะอัลลอ์มีมาตรฐานของพระองค์มีความสามารถของพระองค์เราอยากไปเปรียบเทียบ ความสามารถของเรากับความสามารถของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มันเอาไปเปรียบเทียบไม่ได้แต่แรก س ุ ح ا ن อัลลอฮ์นั่นแหละที่อัลลอฮ์บอกว่าตัวเองอ่ะคนที่เอามาตรฐานของตัวเองไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานของอัลล์นี่ลืมไปหรือเปล่าว่าตัวเองเป็นมนุษย์ตัวเองไม่ใช่พระเจ้าแล้วไปเปรียบเทียบทำไมอิล il ิลลอฮ์นะวา ใครอ่ะที่จะทำให้กระดูกที่มันปนปี้ไปแล้วเนี่ยเฮ้ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งได้นี่มันเนี่ยนี่คือค ำ, คำถามที่อยู่ในหัวสมองของคนที่ไม่ศรัทธาต่อวันเทียมัเพราะฉะนั้นมันไม่ถูกต้องที่จะไปเปรียบเทียบระหว่างมัซลูกนะกับอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع สิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับเราแล้วเราจะไปบอกว่า มันเป็นไปไม่ได้สำหรับ Allah. อัลลอฮ์เฮ้ยคนละเรื่องกันไอ้ที่มันเป็นไปไม่ได้สำหรับเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเลยสำหรับอัลลอฮ์สุบฮานาละอพระองค์ทำได้ทุกอย่างนะอย่าไปแสดงความโง่เขลาของตัวเองอย่างนี้คนที่พูดอย่างนี้แสดงว่าตัวเองโง่เขลามากแสดงความโง่ของตัวเองออกมาเอ้ยมันไม่มีหรอกเอามากักฐานของตัวเองไปใช้กับ Allah, อัลลอ์สุบฮานาอัละอ نعوذ ับอ il all uh ah ัลลอฮ์ให th ok ้จากนั้นไม่มีใครสามารถทำได้รับประทานอาหารให้กับผู้ที่ดปกนแ้น่มัตาแรัน่กละ ที่จะทําให้กระดูกนั้นฟื้นขึ้นมาไปนอนครับจริงๆแล้วในอัลกุรอานเนี่ยมีการพูดถึงว่าการสร้างของอัาาลลอฮาสร้างครั้งแรกกับสร้างครั้งที่สองเราเอาเฉพาะมุมมองของเราก่อนเอาเฉพาะมุมมองของเราก่อนยังไม่ต้องพูดถึงมุมมองสําหรับอัลลอฮ์การสร้างครั้งแรกกับการสร้างครั้งที่สองเนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างไม่มีอะไรง่ายกว่าหรือยากกว่าเด็ดขาด Allah ตาลาสามารถสร้างได้กี่ครั้งก็ได้สร้างครั้งแรกเนี่ยมีอะไรอยู่ไหมไม่มีอะไรอยู่เลยล l l a h สร้างขึ้นมาจากไม่มีกลายมาเป็นมีหลังจากนั้นมันก็ดับสุดแล้วมันเหลือร่องรอยมันไหมเหลือร่องรอย Allah ตาลาสร้างครั้งที่สองนี่จากไม่มีหรือว่าจากร่องรอยที่มันมีอยู่แล้ว จากร่องรอยที่มันมีอยู่อยู่แล้วถ้าเราเอาสมองของเรามาคิดเนี่ยสร้างครั้งแรกหรือว่าสร้างครั้งที่สองที่มันง่ายกว่ายากกว่าฮะครั้งที่สองนี่ง่ายกว่าแล้วทําไมมนุษย์เนี่ยเชื่อว่ามีการสร้างครั้งแรกแต่ไม่เชื่อว่ามีการสร้างครั้งครั้งที่สองเอาสมองคนไหนมาคิด สุดาอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นทำไมไม่คิดว่าผู้ที่ทําให้มีกระดูกให้มีมนุษย์ขึ้นมาแต่แรกก็คือพระองค์องค์เดียวกันอัลลอฮ์พระองค์เดียวกันแหละที่จะทําให้กระดูกเช้นนั้นมันฟื้นขึ้นมาอีกครั้งแล้วมันจะแปลกอะไรสําหรับพระองค์ทําไมอ่ะคิดไม่เป็นหรอแค่นี้พยายามที่จะไปในทางในทางของตัวเองว่ามันเป็นไ ป, ไ, ปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ ไม่ยอมใช้สมองคิดเลยอ่านี่คือความแปลกประหลาดของคนที่มีความคิดที่เป็นปมอยู่ในหัวแบบนี้เราจะไละา์เมอนเดิมเราจะไปละห์ละฮะวะลวะกวอิลลลล์อาบุลยฮยอัลลอันชาฮาอวลหมารจกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าคนที่จะทำให้กระดูกนั้นที่ตัวเองบอกว่ามันกลายเป็นฝุ่นกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยก็คืออัลลอ์ ผู้ที่ทำครั้งแรกนั่นแหละที่จะทำให้เกิดครั้งที่สองวะฮุวเบกุลหรคอ خ ل นอาลีและพระองค์รู้ว่าจะสร้างอย่างไงและแปลกอะไระอ่าอัลีบเป็นคุณลักษณะของ Allah سبحانه า, าลในเมื่อ Allah ตรัสรู้ว่าวิธีการสร้างสร้างอย่างไงมันตอนที่มันไม่มีพระองค์ยังสร้างได้แล้วตอนที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยพระองค์จะสร้างไม่ได้ได้ยังไงกันนะไม่ต้องมาพูดให้มากความนะจบประเด็นนี้ สบห ا ن الله ไม่เเล้วเเล้ว Allah ไม่เเล้วเเล้ว Allah ทั้งมมันยากเหลือเกินเราก็แปลกใจมากนะสำหรับคนที่ไม่ยอมเชื่ อ, อยังไงก็ยากอยู่ดีัก็ยากอยู่ดีลองอา่านอายันี้ทวนหลายครั้งเลยมีคำถามอะไรเสนอมาอัลกุรอานจะตอบให้เองนะใครที่มีปมปัญหาเกี่ยวกับการศรัทธาต่อวันอคัคร์มานำเสนอมา เพราะว่ามีคำตอบอยู่แล้วอัลลอละเตรียมคำตอบของพระองค์เอาไว้อยู่แล้วในคัมภีร์ของพระองค์นี่คือในจำนวนหลักฐานนะที่บอกว่าวันเกียรมัดมนุษย์จะฟื้นขึ้นมาจริงๆหลักฐานต่อไปหรือข้อพิสูจน์ข้อต่อไปที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของล่องสุบาห์อัลลอฮฺอัลลอีจะาเลลักุมมินอัลชริลอัครินร فإذاأنتم منه تقدون อ่ะอันนี้ใกล้ตัวมากไป อ, อันอันที่เราอธิบายเมื่อกี้ที่บอกว่ามันดับศูญย์ไปแล้วแล้วเราทําให้มันฟื้นขึ้นมาใหม่เนะี่ยบางทีมันอาจจะไกลตัวมนุษย์อาจจะไม่เคยเห็นคนที่ตายไปแล้วแล้วฟื้นขึ้นมาแมวที่ตายไปแล้วเราฟื้นขึ้นมาเราอาจจะไม่เคยเห็นนะอาจจะเป็นเรื่องมุสตาฮีเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้สําหรับมนุษย์ไม่เป็นไร มาอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ใกล้ตัวมากเข้าไปอีกอรัตตะลาบอกว่าพระองค์สามารถทำให้มีไฟออกมาจากต้นไม้ที่ยังเขียวสดๆเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมต้นไม้ที่ยังสดสดอยู่เนี่ยมันมี ไปจุดไฟแล้วมันติดไฟขึ้นมาเนี่ยเป็นไปได้ไหมสุภานัลลอในความรู้สึกของเราเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงมันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันพิสูจน์แล้วว่ามันมีจริงในบางทับซียเนี่ยในบางทับซสียเนี่ยระบุชื่อของชนิดต้นไม้ด้วยมันจะมีต้นไม้บางประเภทในแถบอาหรับไม่ต้องตาแข้ง ก็คือตัดปุ๊บเอาไปลงไฟแล้วมันก็ลุกเลยเพราะปกติแล้วถ้าเราจะทำเป็นไม้ฟืนใช่ไหมครับถ้าเราจะทำไม้ฟืนเนี่ยถ้าไม้ที่มันยังมีที่ยังมันที่มันยังสดอยู่เนี่ยบางทีนี่ก็มันก็ทำแยกอยู่ใช่ไหมต้องตากให้มันแห้งอะไรก่อนอันนี้โดยปกติแต่มันจะมีชนิดต้นไม้บางชนิดนะในตับเสียบนี่บอกว่าเชาจอชจอลอลมร เลอาซาผมก็ไม่รู้จักไม่รู้จักว่าต้นไม้แบบไหนต้องกลับไปหาใน Google ว่าต้นไม้แบบไหนแต่เป็นต้นไม้ที่สดไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากแห้งจุดไฟติดไฟเฉยซึ่งถ้าเราคิดในมันสมองของเราเรื่องนี้มันเป็นไปไม่ได้มันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปแล้วเอาแต่ลราสร้างต้นไม้ผมว่าจริงจริงๆต้นไม้สดบ้านเรามันก็ยังติดไฟได้เหมือนกันนะ เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่เคยลองแค่นั้นเองหรือไม่ก็อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งแค่นั้นเองแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นไปไม่ได้สําหรับเราสําหรับอัลลอฮ์มันเป็นไปได้หมดทั้งเคสที่เป็นกรณีไกลตัวเราเราไม่เคยเห็นและแม้กระทั่งเคสที่อยู่ใกล้ตัวเราที่เราเห็นอยู่ทุกวันน่ะบางอย่าง เฮยมันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปแล้วนี่แหละวันเกียรตที่เราบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ล l l a h ตาลาบอกว่ามันจะมีจริงอืแล้วลองดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นะคิดเองว่าเราจะใช้อะไรในการพิจารณาข้อเท็จจริงที่ Allah سبحانه และก็าาะตาลาบอกเราเพราะฉะนั้นในจํานวนหลักฐานที่คนมุชริกีนในสมัยของท่านนาบีซลลมเห็นกับตาตัวเองก็คือต้นไม้สดสดจุดไฟ นะครับมีต้นไม้บางชนิดที่สามารถจุดไฟติดได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอให้มันแห้งอัชชจรลอัคราอัลลอฮนะ um นะไฟเนี่ยมันเป็นของแห้งต้นไม้เป็นของสดจริงๆแล้วมันไม่น่าจะอยู่กันได้แต่มันก็ติดไฟนี่คือความเป็นไปไม่ได้ ในสายตาของเราแต่ nice, thought, Allah ซุลฮานาอัลละก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่ามันเป็นไปได้ในความสามารถและการสร้างของพระองค์ทไมไม่ยอมคิดอยังไม่จบเอาอะไรซันเดียดี خلق السموات والارض بقادرٍ على أن يخلق مثلهم بل هو الخلاق العليم อันนี้ใกลยงกัน กับข้อที่สองเมื่อกี้ที่บอกว่าสร้างครั้งแรกกับสร้างครั้งที่สองถ้าสมมุติว่าไม่ใช่การสร้างครั้งแรกและการสร้างครั้งที่สองแต่เป็นการสร้างใหม่ทั้งสองเลยเข้าใจไหมครับข้อแตกต่างกันนะหลักฐานข้อที่สองที่เรากล่าวผ่านพ้นไปอ่ะที่บอกว่าระหว่างการสร้างครั้งที่หนึ่งกับการสร้างครั้งที่สองเนี่ยอันไหนง่ายกว่าครั้งที่สองง่ายกว่า เพราะว่าครั้งที่สองนี่มันมีร่องรอยอยู่แล้วจบไปแล้วประเด็ดนนี้มาถึงอายัดนี้เนี่ยพระองค์ถามว่าตอนนี้เนี่ยพระองค์สร้างท้องฟ้าให้เราไหมสร้างแผ่นดินให้เราไหมโอเคพอถึงวันเกียร์มันแผ่นดินที่เราอยู่ท้องฟ้าที่เราอยู่เนี่ยพระองค์จะลอกทิ้งให้หมดจะลอกทิ้งให้หมดเลยแล้วก็ไม่ได้สร้างใหมนะ่ไม่ได้สร้างเป็นครั้งที่สองนะสร้างใหม่อีก อีกรอบหนึ่งเลยอ่ะก็คือครั้งคือเข้าใจคือไม่ได้ไม่ได้เอาของเก่ามาริโนเวน <c oughs> ใ, ในเมื่อพระองค์ทําครั้งแรกได้โดยที่นะเป็นความสามารถที่เราเห็นจะจ ะ, จะตอนหน้าอย่างนี้แล้วพระองค์จะสร้างอีกรอบหนึ่งไม่ใช่เป็นการสร้างของเก่านะสร้างขึ้นใหม่เลยทําไม่ได้เหรอทำไมจะทําไม่ได้เนี่ยคือคําถามในอยักนี้ أو ل ي ل ذ ي خلق السماوات و أ ل ق أ, د أ, أ, أ, إ ن ن ق د ا, ا. ل ق م ث م رأوا أن พระองค์สร้างท้องฟ้าและแผ่นดินมาในครั้งหน้พระองค์จะสร้างอีกหนึ่งจักรวาลไม่ได้หรอพระองค์สร้างจักรวาลที่เรามีอยู่แล้วตอนนี้พระองค์จะสร้างอีกหนึ่งจักรวาลอีกสองจักรวาลอีก3จักรวาลอีกสี่จักรวาลมันเป็นไปไม่ได้หรอฮะแน่นอนมันทำได้อยู่แล้วสำหรับ Allah Subhanahu Wa Taala เพราะพระองค์คือ วะฮุวัลขัลละกุลอาลีมเพราะองค์เป ah, ็นผู้ทรงสร้างผู้ทรงมีความรู้ในการที่จะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมรคลของพระองล์ Allah ซุบฮานะวะตะอาลละคำตอบมันง่ายมากนะอัลกุรอานนี่นำเสนอคําตอบไม่ต้องคิดให้มันซับสลับซับซ้อนไม่ต้องไปใช้ตักกะนิยมอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยตักกะของอัลกุรอานอันแริม วิธีการอธิบายของลอสุภานตตาลาให้มนุษย์ได้เข้าใจง่ายๆเหตุใดพระองค์เหตุใดพวกเราถึงมองไม่เห็นเป็นอันครับนี่แหละคือประเด็นที่บางทีเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงทำอย่างไรให้มนุษยชาติได้เข้าถึงความรู้เหล่านี้เพราะว่ามันเป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่นะ เราอาจจะมองว่าเฮ้ยแค่อ่านอัลกุรอานแค่เรียนเรื่องราวเกี่ยวกับวันกิยามัตสําหรับเราอาจจะเป็นเรื่องเล็กแต่สําหรับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยเนี่ยเฮ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะคนที่ไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองตายไปเราจะต้องฟื้นขึ้นมาจะต้องเจอกับอะไรมันเป็นความรู้นะความรู้เกี่ยวกับวันอาคยรอห์เนี่ย มันเป็นอะไรที่ล้าลึกเป็นอะไรที่กว้างขวางเป็นอะไรที่มหาศารเป็นอะไรที่จำเป็นจะต้องเรียนรู้มากกว่าความรู้ที่เราจะใช้ในการมีชีวิตอยู่ในโลกโุนียาไปวันๆได้ซัเอาง่ายๆเรามีชีวิตในโลกดุนยานี่กี่ปี6 0 7 0 8เจบบเอาว่าไปไม่เกินร้อยปี เราต้องเรียนกี่ปีต้องมีความรู้อะไรบ้างที่จะทําให้เรามีชีวิตอยู่ในโลกโดุนียะหนึ่งร้อยปีจบปไหนกันบ้างเนี่ยพวกเราจบปสี่ปหกเรามีบางคนมีใครจบปสีบ้างที่นี่จบปสจบปสี่มีชีวิตอยู่ในโลกโดุนียะนี้ครบร้อยปีได้ไหมพอหรือยังความรู้โอเคพอแล้วเี๋บางคนบอกว่าไมพอยิ่งยุคสมัยนี้อ่ะยิ่งต้องเรียนเนี่ยไม่อย่างงั้นไม่ส่งลูก เรียนมหาลัยดีๆบางคนจบปริญญาโทรปริญญาเอกจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเจ็ดิปีแปิปีต้องจบถึงปริญญาเอกปริญญาเอกนี่กี่ปีอะลองนับดูตั้งแต่อนุบาลเดี๋ยวนี้เขาต้องเรียนตั้งแต่อนุบาลอนุบาลสามปีมัธยมหกปีเก้าปีละไอ้ประถมประถมหกปีอนุบาลสา ม, ม ป, ป, ปมีประถมหกปีเก้า ป, ป, ม ป, ปีมัธยมอีกหกปีเก้าบวกหกสิบห้าปี สิบห้าบวกปัญญาตรีสี่ 19, ปีสิบเก้าปัญญาโทสี่ 20, 23, ปียี่สิบยี่สิบสามปัญญาเอกอีกห้าปีอ่ะยี่สิบแปดปีสบายแล้วก็ยี่สิบแปดีเพื่อมีชีวิตกี่ปีกี่ปียี่สิบแปดเพื่อมีชีวิตอ่ะร้อยปีว่าเราตั้งเฉลีย่ยไปว่ายี่ิบห้าปีกันแล้วกัน 25ห้าปีของหนึ่งร้อยก็คือเศษหนึ่งส่วนสี่เราจะมีชีวิตอยู่4ส่วนเราต้องเรียนหนึ่งส่วนแล้วเราจะมีชีวิตอยู่ในอาคาราสีกปีอินฟิน t y ไม่สิ้นสุดและเราเรียนแค่นิดเดียวเราเรียนทั้งอาคาราสแค่นิดเดียวน้อยกว่า25ปีที่ได้เป็นยาเอกอีก มันเป็นไปได้เุย س านัลลอฮ์ความรู้เกี่ยวกับอัคคระห์เป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่มากเป็นความรู้แน่นอนว่าจริงๆแล้วการเปรียบเทียบตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่าต้องการให้พี่น้องมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเรียนกี่ปีถึงจะอยู่ในอัคครอห์เป็นล้านๆปีจริงๆแล้วไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่จะบอกว่าความสำคัญของมันบางคนทุ่มกับความรู้ในโลกดุนยา แล้วไม่ได้ใช้ในอัคราเลยทุ่มเป็นสิบปีเพื่อที่จะเอามาใช้เฉพาะในโลกตุนเนียแต่พอพูดถึงวันอัคราไม่ได้ทุ่อะไรเลยไม่ได้ลงมืออะไรเลยไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเกี่ยวกับการที่จะใช้ชีวิตในในอัครามันเป็นความน่าอับจนมากนะครับเป็นความน่าสงสารมากที่เรารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตุนเนียแต่เรากลับไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับอัคราสุบฮานอัลลอฮ์ลาอิลลาฮิลลอัลลอฮ์ลาอิลลาฮิลลัลลอฮ์ สรุปในอายะห์ที่แปดสิบสามแปดสิบสองในเมื่ออัลลอ์สร้างครั้งแรกมาแล้วแล้วพระองค์จะสร้างครั้งที่สองไม่ได้หรอทั้งทั้งที่ทั้งสองการสร้างเนี่ยสำหรับอัลลอฮ์ س ะไม่ได้แตกต่างเลยเวลาที่พระองค์อยากจะได้อะไรอินนามอัมรุบอิดาอาราดเชยันอัน ي ق ละ ل ู คุณพยยามูดเวลาที่อรตะลาต้องการให้อะไรเกิดขึ้นสักอย่างนึ่งพระองค์ก็บอกว่าเกิดมาเกิดขึ้นมามันก็เกิดขึ้นมาเองมันก็เกิดขึ้นมาด้วยความเกิดขึ้นมาเองตรงนี้หมายถึงว่าเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องไปจินตนาการมันนะความสามารถของอรตะลาสามารถที่จะสั่งทุกอย่างให้มันเกิดให้มันเป็นให้มันให้มันตายให้มันเปลี่ยน ได้ตามความสามารถของ Allah s u b h a t อย่าใช้มุมมองของมักลูกกับขาลิกอย่าใช้มุมมองของสิ่งถูกสร้างตัวเล็กๆอย่างเรากับวิสัยทัศน์ของผู้สร้างอย่าง Allah s u b h a n a h t ผู้สร้างทุกอย่างในจกักรภพในในจักรวาลนี้ในเอกภพนี้ s u b h a n a อ l a h لا إله إلا ا แล้วพาวลละก็ว <zdję man> <narrator>. ่าแต่ละบิลลาห์ลอาละ عظ มนะครับเพราะฉะนั้น mmm อ um ิแตเอว้นี่คืออัจฉริยะของพราองค์อัลลอฮ์อุษุนซังกุบยาอินนาม أمر ห์อิเดอาราดเชี่ยนอันยิ่วละลูกุ้มไฟกุลในเมื่อเราเชื่ออย่างนี้แล้วนะครับแน่นอนว่าเราก็ต้องเอาเอาเตฮีดเนี่ย ที่บอกที่ผมบอกเมื่อกี้ ว, ว่าเตาเตาฮีที่เราให้กับอัลลอฮ์สุบฮานาตะลาเนี่ยหมายถึงการที่เราคัดจัดไอสิ่งต่างๆที่มันเป็นขยะในความเชื่อของเราในความรู้สึกของเราเนี่ออกไปให้หมดให้มันบริสุทธ์ต่ออัลลอฮ์สุบฮานตะลาเพียงพระองค์เดียวเนี่ยเหมือนกับอายะ์สุดท้าย ฟ้สุบฮานั้นทีบียดหีมาเลกุตุคุณลิชัยสุบฮานนสุบานหมายถึงเราเอาสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นข้อบกพร่องเป็นเรื่องของความไม่สมบูรณ์เป็นเรื่องของพวกเราเนี่ยมาตรฐานมนุษย์มาตรฐานมคลูกเนี่ย เราเอาออกไปให้หมดจะอัลลอฮฺตาอัลาอัลลอฮฺตาอัลาไม่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิดแบบนี้ถ้ามนุษย์คิดว่าอัลลอฮฺตาอัลาห์ทไม่ได้อัลลอฮฺตาอัลาไม่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนี้เป็นสิ่งที่เราคิดขึ้นไปเองซุบฮานัลลอฮเนี่ยที่เราพูดว่าซุบฮานัลลอฮซุบฮานัลลอฮก็คืออัลลอฮ์ทรงสมบูรณ์ทรงมีความสมบูรณ์ในทุกอย่างในความสามารถของพระองค์ในการดูแลของพระองค์ในความปรีชาญาณของพระองค์ทุกสิฟัก คุณลักษณะของอัลลอฮฺสุบานอัลตัลลัพระองค์ทรงมีความสมบูรณ์ในเซฟารในพระนามของพระองค์ที่พระองค์บอกเราเพราะฉะนั้นที่มันแว บ, บเข้ามาในหัวเราว่าเฮ้ยเป็นไปไม่ได้เฮ้ยอัลลอฮฺไปทําไม่ได้อันนี้แหละที่พระองค์บอกว่า Allah ala, อัลฮานัลลีบียดีฮีมาลาปูตุคุลิเชยอัลลอฮฺตัลลัทรงมีความบริสุทธิ์เพราะพระองค์คือผู้ทรงครอบครองทุกสิ่งทุกอย่าง มาลกูตหมายถึงอัลมุลกสงขราความทุกอย่างดุนีานี้เป็นของพระองค์ถูกต้องไหมทุกอย่างในดุนีานี้เป็นของพระองแล้วมันจะเป็นไปไม่ได้อย่างไรเวลาที่เราตายไปโลกหลุมฝังศพเป็นโลกของใครก็เป็นโลกของพระสุบานะอัลลอฮฺเวลาที่เราฟื้นขึ้นมาจากหลุมฝังศพวันอาค h i ะ a h เป็นของใคร เป็นของ Allah ม ال ิกย์ย์วัน ل د a l l a เป็นมัลิกเป็นผู้ทรงครอบครองอำนาจในวันเกียรเพราะฉะนั้นอย่าเอาความคิดแคบๆของเราเนี่ยไปใช้กับพระองค์ سبحان a l l a ف ب ح ا ل ذ ي ه และอย่าง Allah ที่พวกเราทุกคนนั้นจะต้องกลับไปุบ ح านัลลอ h เพราะฉะนั้นพี่น้องครับนี่คืออดครีตัศรยัสูสินนะครน่าเสียดายเหลือเกินสังเกตดูไหมบางทีพูดไปก็น่าเสียดายมากน่าเสียดายตรงไหนรู้ไหมครับสุรพยาซีนนี่เป็นสุรยอดฮิตของพวกเรา แล้วสุราอื่นที่เราชอบท่องจากันนอกจากสุรายาซีนสราอัลวควะสุราตุลมุลก์อย่างที่เราเคยพูดมาหรือไม่กระทั่งสามสุราที่เป็นสุราสันสามคุะุวลอะฮัดคุลอาบรบิลฟลุลอาบรบินัสสังเกตไหมสุราพวกนี้เนี่ยเป็นสุราที่พูดถึงอคดะทั้งนั้นเลย ที่ผมบอกว่าน่าเสียดายน่าเสียดายตรงไหนหลายคนท่องสุรษ์เหล่านี้ได้อ่านสุรษยาซีนได้จบภายในห้านาทีบางคนไม่ต้องดูเลยไม่ต้องดูไม่ต้องดูเพราะอ่านบ่อยไงเดี๋ยวขึ้นบ้านโน้นเดี๋ยวขึ้นบ้านนี้อ่านบ่อยจนกระทั่งจาอะหลายคนที่ท่องสุรษ์นี้ได้แต่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเนื้อหาในสุร์นี้น่าเสียดายไหละ่ะ สุราที่เต็มไปด้วยเอกภาพอตวีตที่จะต้องมอบให้กับเร า, ราจะเป็นแหลง่งพลังสำหรับหัวใจของเราที่จะทำให้เรานั้นยึดโยองอยู่กับอัลลอฮฺซุลเาาะหาะอัลาอย่างเข้มแข็งนี่ถ้าเราเข้าใจสุรานี้ทุกครั้งที่เราอ่านเนี่ยโอ้โหมันเข้มข้นมากชีวิตของเราเปลี่ยนไปเลยนะ ถ้าเราเข้าใจความหมายของมันแล้วก็เอามันมาใช้ในชีวิตของเราจริงๆเนี่ยเวลาที่เรามีอัลลอฮฺกุมารตาละมันคนละเรื่องเลยแต่น่าเสียดายนะอ่านสุรายาซีนเราก็ไม่เข้าใจว่าสุรายาสินกำลังจะมอบอะไรให้กับเราเราอ่านสุร์ยิ่งสุรุลวะกีอะไปต้องกลับไปดูเลยความหมายจากสุรุลวะคีอะเป็นการพูดถึงชาวสวรรค์ชาวนารกเลย พูดถึงอาซาบิคูลน์อวอลูนอาซาบิคูล์อซาบิคูลคนที่เข้าสวรรค์โดยไม่ถูกทดสอบพูดถึงอัสซาบุลยามีนพูดถึงคนที่จะได้รับสมุดบันทึกจากมืองขวาพูดถึงอาซาบิชิมัลพูดถึงคนที่จะต้องอยู่ในนรกรับสมุดบันทึกจากเมือซ้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอัคคีเดเกี่ยวกับหลักความเชื่อกเกี่ยวกับอัครา อางคนก็อ่านอ่านไปอ่านโดยที่ไม่รู้ความหมายของมันเลยไม่ได้ลึกซึ้งอะไรกับมันเลยสุภาพัลลอฮ์ไม่ได้รู้สึกกลัวอัลลอฮ์ไม่ได้รู้สึกหวงที่จะเข้าสวรรค์อัลลอฮ์ตาลาเลยทั้งๆที่สุรัชมันเนี่ยโอ้โหมันดึงหัวใจเรามันฉุดกระชากหัวใจเราให้กลับไปหาอัลลอฮ์ม่าอัลลาตุกเม็ดเลยสุรุตุลมุลกนะบาราคัลลัตบียดีฮิลบุลแค่ชื่อสุรัชเนี่ยมันก็บอกแล้วหมายถึงอะไรอัลมุลก อำนาจอำนาจของใครอำนาจของล l l a h อำนาจของ a l l a ที่ปรากฏอยู่ในมรูคของพระองค์นี่เราอ่านสุรทูลมุลกแล้วเราก็เห็นมลูคของเราแต่เราไม่สามารถให้ผูกโยงหัวใจของเรากลับไปที่อำนาจของพระองค์ได้เป็นไปได้ยังไงอ่ะมันน่าเสียดายไหมอัลกุรอานอัลกิริมถูกประทานลงมาเป็นทางนำให้กับมนุษยาชาติ ไม่ได้ถูกประทานลงมาให้เป็นอัครยันอก็เรียว่าอะไรนะอัคระหรือหรือบทสวดเป็นเป็นยันกันผี <c oughs> ขอโทษที่ใช้คำนี้เพื่อที่จะพูดให้มันเข้าใจ ง, ง่ายๆนะอัลลอฮฺมินซาลิกหลังๆมานี้มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชิริกเยอะมา Allah ba. อัลลอฮอัลอสซุราะยาสีน เป็นร้อยครั้งเป็นพันครั้งถ้าไม่เข้าใจความหมายของมันชิริกมันก็ยังมีเหมือนเดิมนั่นแหละอัลลอฮฺอัลลอฮฺนัลลอฮฺิัลลอฮ่อัลลอฮฺอันลอฮฺอัลลอฮฺอลลวฮฺอัลลอฮันลอฮฺอัวมอ ก, นะวว ก, นน ก, กตอนลลอฮฺอั่ลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัอฮฺอัลลอฮฺิัลลอฮฺอัลลนะอฮฺอัลนะออนไลน์นล่าสุดจะมีหนังออมาอีกเรื่องลลออัลลอฮอาล เขามีจุดประสงค์อะไรในการที่ทำหนังนี้ขึ้นมาอะไรแค่ทำหนังมันก็ดูแปลกๆแล้วแต่นี่ไปไปทำผงไปทำผีมันรู้ได้ยังไงว่าผีมีรูปร่างแบบนั้นรู้ได้เคยเห็นหรือและอิละฮะอิลล allah นะอูซุบิลลาฮิมินซัลิกนะอูซุบิลลาฮินะอูซุบิลลาฮิมินซัลิกลาฮ์วลลากูตาอิลลาบิลลาฮิละอัละอูรุจะอ่านสุรยาไปทำไมอัสลัฮฺุสาฟุลลอฮพี่น้องครับ ได้โปรดเถอะนะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับอาเคโรเป็นความรู้ที่จะทำให้เราปลอดภัยในวันที่เรากลับไปอัลลอฮุ سبحانه และ تعالى ท่องสุรหยาซีนเถิดไม่เป็นไรแต่ให้รู้ความหมายของมันด้วยนะอย่าท่องสุรหยาซีนแต่เผลอไม่ได้ไปหาหมอผีไปหาหมอคุณใสไ ป, ون, ไปหานู่นไปหานี่ นํำสัมบังที่อาจจะเอาสุรายาสีนเองมัดพัยศาสตร์นะอบิกลาแล้อต่ Allah ب ا ل นี่เป็นสิ่งที่เราตวองรู้ a l l a านะครับสร้างเรมานีและวค์ไม่ได้สร้างมนุษย์และจินนอกจากเพื่อให้เรานั้นมีสถานะเป็นผู้มอบตัวให้กับล l มอตัวมอบตนเป็นบ่าวอุเดกยของเราเนี่ยต้องมอบให้กับ Allah سبحانه าละ ت ع ا า ى ตั้วฮีตของเราเนี่ยเรามอบกับ Allah อ, อ, อย่างบุ๋มบอกเมื่อกี้เวลาที่เรามีเตา้วฮีให้กับ Allah เนี่ยมันเป็นชีวิตที่ไม่มีขยะไม่มีขยะเลยในหัวใจเราจะไม่มีความรู้สึกที่ไปไปยึดอยู่กับสิ่งนั้นไปติดอยู่กับสิ่งนี้อีกต่อไปอืนี่คือชีวิตที่มีเตั้วฮีชีวิตที่มีเตา้วฮีคือชีวิตที่สะอาด ชีวิตที่อิสระเพราะว่าเรามี Allah ลลเพียงพระ อ, องค์เดียวในขณะที่ชีวิตที่ตรงกันข้ามกับเตาอี้คือชีวิตที่ถูกถูกยึดถูกผูกเอาไว้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งน้สิ่งนี้ไม่รู้อะไรตอไม่อะไรเต็ไมไปหมดเป็นชีวิตที่มีด้วยที่เต็มไปด้วยสิ่งสกปรกในความคิด ในความรู้สึการะับใดที่ความกลัวของเรายังกลัวสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ AH ขขลัสธิอัลลอฮาะว่าใจของเรายังมียังมีสิ่งส ก, กปรกอยู่ข้างในนี่แหละที่น่ากลัวเพราะงนั้นวิธีการเดียวก็คือต้องกลับไปหาอัลลอฮฺซุลฮานะวะตะลด้วยการขัดเลาชิริก ค, ความรู้สึกที่มันแฝงอยู่ในหัวใจของเราให้มีเพียงแค่ อียาค์นับุูด์ وأ ียาค์ ناستعين أياك نعبود وأياك نستعيني นี่แหละคือความลับของการมีชีวิตของเราในฐานะเป็นบ่าวของลอสุบฮานวัตลอฮ์ในโลกนี้สุบฮานอัลลอฮเราไม่มีวันที่จะหนีพ้นจากการที่ต้องตึ่งอัลกุรอานเป็นทางนําในการดําเนินชีวิตพี่น้องครับถ้าใครคิดว่ายุคเทคโนโลยีไม่มีชีริกเขาคิดผิด เราเห็นแล้วว่าทุกวันนี้มนุษย์จเจริญมีเทคโนโลยีมีรถไฟฟา้านี่จะไม่รู้จะไปไหนตอนไหนแต่ชีริกกลับกลากเกลือนดาดสดืนอนะูบิลลมินซาลิกลาอิลาอิลลอห์ฮาวลาวะลาตลบลลาขอดุอาให้เราได้ปลอดภัยให้ลูกหลานของเราเองก็ปลอดภัยจากเรื่องเหล่านี้อย่าไปข้องแวะอย่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆที่จะทำให้เรานั้นหลงติดกับดักของชัยตอน ใจตอนต้องการให้เราหลุดพ้นจากการเตาที us, ่มอบหัวใจของเราให้ก <Stanford> ับ Allah เวลาที ingt. ่เราไปยุ่งเกี่ยวกับของเหล่านั้นแสดงว่าหัวใจของเราเราไม่ได้มอบให้กับ Allah อาล่าอย่างบริสุทธิ์ใจอีกต่อไปนะอูดุบินละนี่คือสุรษยาสีนะอัลลอฮ์เดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องราเกี่ยวกับวันอัคยร์ครับเยาจะถ่ายชีตมานะครับเราจะเริ่มเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับในกูโบสเป็นยังไงสภาพของวันอัคยร์เป็นยังไง ในสวรร์เป็นยังไงในนรกเป็นยังไงเพราะเราถือว่าจุดจบของสุรหยาซีนมันเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เราต้องเรียนรู้เรื่องอัคิีรอห์หน่อยนะครับให้เรารู้ให้เราเข้าใจคว า, ามรู้ต่างๆเกี่ยวกับอัคดะอัลยลอมิลอัครการศรัทธาตา่อวันอัคคีรอห์รวมถึงสัญญาณวันสิ้นโลกว่ามันเป็นยังไงอินชาอัลลอฮ์เราจะหาชีพข้อมูลมาให้บ้วยอิสลาฮิสุบฮานะตะเงานะสาหรับวันนี้มักากัลฮัมดีอัลลอฮ์ที่มีนะิมิตีเต็มุลสาลิฮะ الله تعالى عالم ف ق ن الله إ ي ا ت م ا يحب ويرضاه وصلى الله. الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة ع م ا يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركات